ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเย็ยนแล้วยายก็เดินกลับมาบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ไม่พูดไม่จา ก, กับใครเดินเข้าห้องไปแล้วนอนหม่มผ้าพอสักพักก็ลุกขึ้นสะบัดผ้าหม่มแล้วก็พูดว่าไม่นอนแล้วบ้านนี้ร้อนจะตายโงงจากนั้นยายก็เดินไปนั่งหน้าบ้านแล้วอยู่ๆก็บ่นว่าหนาว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 เดินมาจากในป่านิวคิดว่าคงเป็นหมาหรือไม่ก็สัตว์อะไรสักอย่างพอมองไปที่ต้นเสียงก็เห็นผู้ชายรูปร่างใหญ่ใส่เสื้อสีดำเงินกางเกงขากวยสีดำไม่ใส่รองเท้าเมื่อมองดูที่เท้าของแกก็เห็นว่ามันใหญ่มากถ้าจะให้ใส่รองเท้าก็คงจะเป็นเบอร์ 47,48 ิเทินจะได้เขาเดินออกมาจากป่า